ขอความเจริญในธรรมจง ม, มีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มประโพธิญาณกำมังนำเสนอทรมาจากกวัตนสูตรประเด็นแรกคือข้อที่ทรงแสดงว่าบัญญัิิตไม่ควรเสกเดีย๋ยวจะพูดว่าไม่ควรประพฤติไม่ควรปฏิบัติหรือไม่ควรใช้ชีวิตไปในลักษณะยอย่างนั้นก็ได้ นั่นก็คือแนวการมัตสุกัรในการอโยกการปรนปรือบำรุงบำเรอตัวเองด้วยวัตถุกรรมคือรูปเสียงกริรสพทธะที่ใจคนไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหรือแรงบักดันของกิเลสภายในที่เรียกกิเลสกามตอนการมันก็มีสองอย่างคือตัวนอกกับตัวใน แต่ตัวนอกที่จริงไม่ค่อยมีปัญหาอะไ ร, ทะไรเท่าไหร่หรอกมันก็เป็นเนี่ยที่มันเป็นแต่ตัวใหญ่ก็คือตัวกิเลสกามที่มีอยู่ภายในหมายความว่าถ้าใจเราไม่มีกิเลสกามในเรื่องเหล่านั้นแม้จะเห็นสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่เกิดความอยากอะไรมาดูตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าอาหารซึ่งชนชาติใดชาติหนึ่งที่เขาชอบเอ า, เอาสมมติว่าในเมืองไทยเราเนะี่ยะ เช่อาหารบางอย่างในบางท้องถิ่นเราอยู่ในท้องถิ่นหนึ่งไปเจออาหารบางอย่างสมับบางท้องถิ่นเนี่ยซึ่งก็กินกันอเด็ดอร่อยก็แสดงว่ารสเนี่ยมันก็เป็นกรมกุลเนี่ยนะแต่ว่าเราไม่เคยกินเราไม่กล้า ก, กินเราก็ไม่มีความต้องการไม่มีความปรารถนา เันตัววัตถุกรรมเนี่ยที่จริงมันก็เป็นสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าเยนรร็นร้อนนั่แข็งเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีอิทธิพลต่อใจคนทุกๆคนหมายความมาตัวมันเองมันก็เป็นเพียงมายาอย่างหนึ่งเท่านั้นความรักความชังชอบไม่ชอบเป็นไปอยู่ที่ใจของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นรูปสวยๆเสียงไพเราะกลิ่นหอมหอมรสอร่อยสัมผัสที่น่าจับต้องมันไม่มีอะไรเป็นสากลถึงมันผิดกับพวกกิเลสในกิเลสมันสากลเลยนะเช่นสมมติว่าเกิดโทสะขึ้นมาเนี่ยแมวโกรธม้าโกรธปลาโกรธอะธคนโกรธอะไรสุนัขโกรธอะไรเหมือนกันนยจะแสดงมุ่งไปสู่การทำลายล้างฝ่ายที่ทำให้ตนโกรธ พอโลภมันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคืออยากได้อยากมีอยากเป็นดิ้นรนขวนขวายต่อสู้ปราปรางกันมันพฤติกรรมสากลบนตัวนี้มีคุณก็คุณสากลมีโทษก็โทษสากลแต่ในที่นี้ก็พูดในแง่ของความเป็นโทษซึ่งมันก็เป็นอาการของอภิชากับอาการของตัณหาเนี่ยเป็นหลักคืออยากได้อยากมีอยากเป็น จนมาอยู่ในรูปของการปลนปลื้มบำรุงบำเรอคือตามปกติมนุษย์เนี่ยควรจะอยู่ในจุดของการบำรุงแม้แต่พระเนี่ยอาตมาเคยไปวัดต่างจังหวัดไปวัดในป่าในป่าในถ้าในเขาอะไรต่เอี่โดยเฉพาะทางภาคอีสานเนี่ยมันรู้ราจังเลยเราอยู่วัดในเมืองหลวงเราไม่เคยเห็นเลยเครื่องชายอย่างเงี้ยแม้แต่สุขภัณฑ์ก็เนี่ยก็รู้ราราคาแพง เรื่องใช้ไม้ส้อยต่างๆมันเยี่ยมทั้งนั้นหลยกั่อนๆ ก, ก็เจอก็โยมรู้จักกันบอกว่าโยมอย่างนี้มันไม่ใช่โยมบํารุงพระแล้วมันบํ ำ, ำเบลพระเพราะว่าท่าเด็กๆเกมืใจแตกมันเกิดเป็นเขาเรียกว่าอยากไม่อยากเป็นเรื่อยไปในสุดก็ตเตลิดออกนอกวันกรรมาฐานก็แตกที่ไม่โยมก็เกินอิ่งเกินผลไปนะมันปนปลือบํารุงบําเบอ พวกนั้นอย่าลืมพวกนั้นคือกามคุณนะคําบว่ารูปสวยๆสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมหอรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องไม่ได้หมายถึงสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวไม่ได้หมายถึงคนอย่างเดียวหมายถึงทุกอย่างที่ผ่านทางประสาทสัมผัสขอเรามาเนี่ยผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเนี่ยคือถ้าใจไปเกิดกําหนดด้วยอํานาจความกําหนัดความก็หนัดมันเกิด กำหนดด้วยความขัดเคืองความขัดเคืองมันเกิดกำหนดด้วยความโลภความโลภมันก็เกิดกำหนดด้วยความหลกมุมไงได้เหตุผลได้ความมุมไงได้เหตุผลมันก็เกิ ด, ดกมมกเกิดมมกเสร็จแล้วมันก็ครอบงำใจมันก็ทรงแสดงให้เห็นเราจะเห็นว่าในตอนต้นเนี่ยมันเน้นไปการหาความสุขในทางเพศสัมพันธ์เลยนะแบบครองเรือนแบบชาวบ้านนะฮะเพราะว่าพูดเรื่องพระมันครอบ ข้อความหนึ่งฮีโนโก็เป็นของต่ำอาจจะต่ำก็ได้เร็วก็ได้แต่พูดนิ่มๆว่าเป็นของต่ำหรือของสาธารนณะทั่วไปแก่นคนทั้งหลายแล้วกั ม, มูคือเป็นเรื่องของชาวบ้านผู้ครองเรือนก็ไม่ได้แปลกอะไรนะผู้ครองเรือนแต่ผู้ครองเรือนจะมีรายละเอียดอีกระดับหนึ่งคือไม่ถึงกระลุอำนาจแก่กิเลสกางจนไปประพฤติผิดกฎหมายประพฤติผิดศีลธรรม แล้วก็โปรตุชนิโกคือเป็นเรื่องของคนที่มีกิเลสยากกิเลสหนาแม้แต่เราจะเห็นว่าคู่สามีพัรยาเนี่ยคือถ้ากิเลสมันลดแล้วเนี่ยจะไม่ใส่ใจในเรื่องเพศทารยหรอกจะใส่ใจในความเป็นมิตรเป็นเพื่อนร่วมชะตา ก, กรรมกันต่อสู้ชีวิตด้วยกันถึงจุดหนึ่งก็ชวนกันเข้าวัดฟังธรรมจำศีลปฏิบัติธรรมะ แต่งชุดขาวจเจริญกรร ม, มาถานกรรมัฐานปรสนากรรมัฐ า, า, านไปเลยเพราะงั้นจึงต้องกิเลสหนากิเลสต้องหนาพอสมควรนะเพราะแนวพวกนี้ที่จริงถ้าพอปัญญามันเกิดขึ้นสักระดับนึ่งระดับหนึ่งจะเกิดความหวาดกลัวเพราะว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วในพวกนี้มันเกิดจากความคิดของเราเฉย พุทธเจ้าทรงสแสดงว่าสังกับราโครบริษัทสกามโมกามมันเกิดจากความคิดเอาเฉยๆคิดได้สวยมัน ก, ก็สวยคิดแต่อรอยมัน ก, ก็อร่อยคิดไพร่อมก็ก็ไพร่อ ม, อมบางทีมันเป็นกระแสสร้างกระแสต่างๆพวกนักร้องนักเรืองถึงมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ามาเคยสังเกตเรื่องอาหาร ญาติยโยมที่สนิทสนมคุ้นเคยกันเนี่ยเขาพอใจติดใจในอาหารบางทีก็เอามาจากไกลๆเลยนะหมกฝากอาหารดีบางทีเอามาจากต่างประเทศไลก็ถามว่าเป็นยังไงเราก็บอกว่าก็กดีคือมันไม่บูดอแต่ว่าเราไม่ได้อร่อยไปตามที่เขาคิดว่ามันอร่อยมันก็คือก็คือการนั้นแหละก็ไม่ได้มีพิเศษอะไรนักหนาหรอก เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เคยมีตัณหาในเรื่องเหล่านั้นคือเราเราไม่เคยกินเขาว่ามันมันความยึดติดว่ามันอร่อยมันยังไม่เกิดกับเราแต่ว่าที่อื่นนี่เราเคยกินกินพอมาถึงไปกินปับ๊บเขาย่อมาเราก็เกิดคิดเทียบทเทียบเคียงกับสิ่งที่เราเคยกินมาแล้ว เ, เราก็คือคือการนั้นแหละแต่ว่าคนที่ถูกกระแสสร้างเนี่ยะ กระแสสร้างมันจะเกิดปักใจฝังใจแต่ทีนี้สมมุติว่าถ้าเราไม่ไปคิดเทียบเคียงให้ดีนะฮะในสุดมันก็ดิ้นดิ้นเพื่อไปหากินไปหาสิ่งเหล่านั้นหาดูหาฟังหาชมแล้วก็ดิ้นแต่ถ้าเราใช้ความคิดชีาเหตุผลว่าเออมันสําเร็จประโยชน์เหมือนกันนั่นแหละไม่จําเป็นจะ ต, ต้องไปไกลขนาดนั้นแต่ก็อยู่ได้ก็ยังอัตภาพไปเป็นไปได้ วันแนวการบริพภวปัจจัยสี่ซึ่งมันที่จริงก็คือกรารมาคูยเหมือนกันพูะเจ้าจึงสอนให้ใช้ปัญญาเพาื่อบรรเทานะมันไม่ถึงกับไปดับกิเลส เ, เอาบรรเทากิเลสลงไปหน่อยอย่าเกิดตัณหาประทานมากเกินไปบางทีก็กินอาหารมืออ้อหนึ่งนี่จะขาดของชอบไม่ได้อย่างนี้มัเกินไปนะฝึกปลือให้บรรเทาไม่ถึงกับดับกิเลส แล้วก็จริงตรงนี้มันเขาเรียกว่าอนัตติโยคือไม่ไม่เป็นของประเสริฐไม่เป็นของที่พระรยะเจ้าท่านท่านต้องการท่าพอใจหรือว่าไม่ไม่ใช่เป็นของพระรยาเพราะว่าคนเป็นพระรยนั้นจะต้องเลิกเรื่องแบบนี้นะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือเลิกระดับระดับกามเหตมิถาจารย์ได้ เพรายเพราะว่าคนระดับปโสดาบันเนี่ยยังมีคู่ครองนะฮะจะมีคู่ครองยังมีสามีพัญญาการยังสามัญชนนี่แหละแต่ว่าศีลห้าของท่านสมบูรณ์นั้นนั้นเองอริยะนั้นแปลว่าผู้ประเสริฐในแง่ของธรรมเนี่ยมันมาจากมีอริยธรรมอริยธรรมก็คือโครงสร้างหลักก็มีห้าข้อนะฮะศีล ส, สมาธิปัญญาปิมุติมุติญาณลัทสนาก็จบ ก็ทำให้นึกถึงที่รายการดรเจิมศักดิ์ที่ติตามหาแก่นธรรมหาเรื่องด่าพระอยู่ทุกงานนั่นนะแก่นธรรมที่จริงก็มีแค่นั้นนะแล้วไม่ต้องหาฮไม่ต้องหาหรอกมันอยู่แล้วในะปฐมภูมิแล้วว่าถามว่าคนที่ไปปลายเรื่องแก่นธรรมนะรู้หรือเปล่าว่าธรรมะคืออะไรแก่นธรรมคืออะไรแก่นธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงจริงๆริงนะคืออะไร แล้วก็ไม่จําเป็นต้องหาพระเจ้าแสดงมาตั้งสี่พันนะตั้งสองพันห้ารอกว่าปีแล้วหาแล้วก็ผลุท้าก็ไปด่าพระแล้วไม่ได้ดูตัวเองนะไม่ดูตัวเองรักษาสีหน้าได้เปล่าทุกงานนะลองลอ ง, ลองก็ฟังก็ดูอะก็ด่าพระมาตั้งแต่รายการอะไรละ่ะรายการเที่ยวถูกยกเลิกไปนะก็ชอบอย่างนั้นนะก็เป็นวิธีคิดที่ไม่ประเสริฐ เพราะอะไรเพราะมันเจือด้วยโมหะมันเจือด้วยโทสะมันเจือด้วยความริษยาก็แสดงว่าไม่ได้เป็นอริยะอริยะมันต้องลดพวกเหล่านี้ลงไปเราเห็นว่าสีนี้ก็ลดกิเลสอย่างหยาบลงไปสมาชิก็ลดกิเลสอย่างกลางลงไปปัญญาก็หมดกิเลสเลยกิเลสอย่างละเอียดก็หมดไปด้วย ทีนี้ถ้าสมบูรณ์สามอย่างจิตมันก็พ้นจากกิเลสไปเลยเป็นวิมุตต์แล้วก็เกิดญาณผุดขึ้นมารู้เห็นว่าเราได้หลุดพ้นแล้วการการไปหมกมุ่นบุญวายอยู่ในเรื่องของการเนี่ยไม่ใช่เป็นการกระทําที่เประเสริ์คือทำยังไงว่าโดยพื้นฐานของสามัญชนทั่วไปในชีวิตการคลองเรือเนี่ยคือทำยังไงอย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องล่านี้มากเกินไป เพะถาเราติดตามข่าวคราวเนี่ยมันเป็นข่าวที่ก็ใกล้ค่ากระฮิดนะแล้วก็ช่วงนาตาปีนะคือคือมันไม่ใช่ว่าเป็นครั้งเป็นคราวนะพูดใครทําอะไรกับใครที่ไหนอย่างไรนะมันซ้ำซากนะเมื่อไรแต่นั่นเองเพราะ ใ, ใครเนี่ยมันก็เปลี่ยนคนทําอะไรเนี่ยก็ซ้ําซาก ที่ไหนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนสถานที่นะฮะอย่างไรก็ซ้ำซากเห็นไหมที่จริงซ้าซากตังแตมโลกมีมีมนุษย์มาแล้วมันก็ทำซ้ำซากอย่างนีน้แต่คนก็พอใจสนใจที่จะอ่านอ่านข้อความเหล่านั้นแล้วพารัวตัวไม้ด้วยนะฮะพาดัตัวใหญ่ด้วยนั่นคือแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เนไปหมกมุ่นวุ่นวายเรื่องเหล่านี้มากเกินไป แล้วบางครั้งบางคราวก็กลายเป็นกลุ่มผลประโยชน์เป็นกลุ่มธุรกิจต่างๆที่ร่วมกันหากินสังคมจะเป็นยังไงว่าธรรมจะเป็นยังไงมันจะเกิดปัญหาจะเกรรมขึ้นมาไหมเนี่ยพวกนี้จะไม่เคยคิดเลยเห็นไหมมันมันไม่ประเสริฐแล้วมันจะนําไปสู่ปัญหาเยอะเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือถ้าหากว่าเป็นบนรรพชิตด้วยแล้วก็จบสิ้นเลย ทำลายความเป็นบรรพชิตของตัวเองเพราะมันจะเพิ่มบาปนะจากระดับของการครองเรือนก็ทรงแสดงใบเย่าเรือนที่ครองไม่ดีก็มีแต่ความทุกข์ถ้าไม่โดยเห็นคู่สามีพันยาถึเจ้าทรงแสดงเป็นคู่ไว้สคู่นะฮะแล้วแสดงเป็นประเภทเนี่ยก็ที่พบบ่อยที่สุดก็คือเจประเภทที่เป็นคู่เนี่ย เป็นยักษ์อยู่ร่วมกับยักษกินีมีอารมณ์รุนแรงมีทางเพศรุนแรงโทรศัพรุนแรงราคะรุนแรงด้วยกันที่จริงก็อยู่ได้นะฮะแล้วก็เป็นยักกับยักษกินีแต่ว่ามันก็อยู่ได้แบบยักษ์กับยักษกินีครอบครัวไม่อบปุ่นมีความรุนแรงมีการทะเลาะปีว่าเป็นการาด่าทอทุบตีประหัรประหารลงไม้ลงมือกันแล้วก็มีลูกบางทีก็หัวปีไทยปีไปเลย แล้วก็เด็กเราเนี่ยโเด็กที่มีปัญหาต่อไปปัญหาก็กระทบสังคมเขาเองเนี่ยกระทบสังคมเหมือนกันอย่างหนึ่งเป็นยักษ์คิมีอยู่ร่วมกับเทพประบุหมายความว่าผู้สามีน่ะดีเหลือเกินแต่ว่าพัญญา น, นี่แย่มากก็เอาขนาดผิดศีลเน่เอาเอาเอาขนาดละเมิดศีลอาการหนักและสามีจะแย่ และทีนี้ถ้ามามกมุ่นในกามาสสามีไม่ค่อยมีความรู้สึกต้องการในทางนั้นรุนแรงก็ฝ่ายหนึ่งก็นอกใจบ้านก็แตกครอบครัวก็ขาดความสงบสุขอีกคู่หนึ่งนั้นเป็นการอยู่ร่วมของเทศทิดากยับคือสามีแย่มากนะเป็นราคาจัดตัญหาจัด พัญญาเป็นคุณลสตัตว์จีเป็นรูปภาพิจีอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้ก็เกิดปัญหาบ้านแตกอีกหละเห็นไหมคู่สา ม, มีพันยาเนี่ยที่มันเกิดปัญหาสังคมที่จริงถ้าเราจับคู่ดูแล้วเนี่ยมันมั น, มนก็ก็เรียกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นี่มีปัญหาแล้วห้าสิปอร์เซ็นนี่มีปัญหาอีกยี่สิ้าเปอร์เซ็นคือยักษ์อยู่เรื่องงยักษินนีน่นะมันก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ว่า เป็นปัญหาที่กระทบสังคมเพราะว่าพวกความคิดรุนแรงเพราะในคู่สามีภรรดาที่ที่จะดีได้เนี่ยก็คือเป็นเทพบุตรุอยู่ร่วมกับเทพติดาคือไม่ความสําคัญแก่เรื่องเพศไม่ความไม่ความสำคัญแกเ่ เ, แกเรื่องการแต่ว่าจะอยู่ร่วมกันแบบมิตรสหายกันเพื่อนกันทูดทุกขสุขกันเป็นลมหายใจของการแลกันเนี่ยก็อยู่ได้ เพราะนถ้าถ้าเป็นคราวาสก็คือเพิ่มคู่สามีภัญญาประเภทนี้ขึ้นมาโดยสำนึกของคนที่เป็นสามีภัร ญ, ญากันเองแล้วก็เป็นปนัญหาที่น่าห่วงคือเวลาเนี้เราจะเห็นว่าสังคมเราเป็นสังคมเดียวแยกก้าไปคำว่าครอบครัวเมื่อก่อนเนี่ยมันหมายเยอะนะฮะคนครอบครัวเนี่ยมันเจ็ดชั่วโคตอ่ะคือในบ้านนี่มีคุณทวดอยู่นะ แล้วข้างล่างนี้เด็กตัวเล็กเนี่ยมันคือเลนน่ะเพราะฉะเราจะเห็นว่าอยู่ข้างบนเนี่ยสามสามชั่วมีทวดมีปู่มีพ่อเราอยู่ตรงกลางข้างล่างก็มีลูกมีหลานมีเหลนเราอยู่ตรงกลางนะก็เจ็ดชั่วโคตรเป็นบ้านที่ยิ่งใหญ่อบอุน่นดูแลกันแต่ปัจจุบันก็แยกแยกออกันไปเป็นบ้านเดี่ยว ซึ่งก็เคยแนะนำนะเด็กอะไรพอแนะนำได้ก็บอกว่ามันอยู่กับญาติผู้ใหญ่เธออยู่กับพ่อกับแม่เธออย่าไปออกไปแยกเดี่ยวอย่างนั้นเลยมันขาดความอบอุ่นมันอาจจะอิสระแต่ถ้าขาดความอบอุ่นปัญหาเนี่ยปัญหาเรื่องลูกเรื่องกล้าเนี่ยเราเห็นว่าพ่อแม่เป็นคนที่มีความรู้ดีจเป็นยาโทรเป็นญาเอกมาลูกโตดโดยมือคนใช้เด็กป .4 เสร็จเลย อันนี้คือคืออะไรก็คือความไม่ฉลาดในการครองเรือนมันไปมองเฉพาะมุมคือว่าจริงๆชีวิตไ ม, ไม่ได้อยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งแล้วข้อต่อไปคือไม่มีประโยชน์คือกามเนีเหมือ น, นความฝันน่ะคือถ้าเราดูให้ดีเนี่ยพระเจ้าทรงอุ ป, ปมาไว้เยอะเลิกาลมุ ป, ปมาุ ป, ปมาทั่วของกาลเหมือนเขียงที่หั่นเนื้อ แต่ส่วนมากจะสอนธานะฮะสอนพร ะ, นะ ส, อพระสอนแรงนั่นเขียงที่หั่นเนื้อเนี่ยหั่นไปหั่นไปหั่นไปตัวเองไม่รู้สึกกระเด็ดอร่อยอะไรเลยแต่ว่าจบลงที่เขียงนุ้กก็สึกหลอนไปเรื่อยคนอื่นก็กินเนื้อกันไปบางทีเหมือนถือก็เฟิงทวนลมเหมือนสีษะอัศรพิษอะไรต่ออะไรคือคือมันเป็นอันตรายอะ่ะ อลองสังเกตว่าปัญหาใหญ่ในสังคมโลกมนุษย์เนี่ยถ้าเราคิดเอาจดมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมันเกิดที่ไหนมากที่สุดเกิดที่ครอบครัวนะฮะแม้แต่อุบัติเหตุอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดเนี่ยเกิดที่ครอบครัวเนี่ยมากที่สที่บ้านเนี่ยมากที่สุดบ้านกับบริเวณบ้านนั่นแหละมีแผลลองนับเช็คแผลดูตัวเองดูเนีดิว่าเกิดที่ไหนเกิดที่บ้าน แล้วก็คนที่จะทะเลาะที่จะไม่พอใจสร้างความขุ่นข้องมองใจหรือว่าสร้างความรักใคร่ผูกพันเนี่ยก็คนใกล้ชิดนั่นแหละคนใกล้ๆมันโอกาสจะเจอกันนานสักครั้งหนึ่งจนโบราณเนี่ยท่านก็คน้งเข้ า, ขาใจความจริงคนนี้นะท่านบอกว่าช้างสารงูเหา่าค่าเก่ามีรักเห็นไหมฮทั้งหมดในใกล้ชิดกล่เราทั้งนั้นเลยช้างสารก็เราเลี้ยงเขางูเหา่าเราก็ไปใกล้เขาว ค่าเก่าก็อยู่ใกล้ชิดเก่าแล้วก็มียรักหรือว่าสามีก็เหมือนกันนั่นแหละนะแต่ว่าส่วนมากผู้ชายเขาเป็นเจ้าของผัสสิทธเจ้าของสังเกตแล้วก็พูดผู้หญิงก็ไม่เคยมีโอกาสพูดอนะแต่เราต้องมองนะจริงๆเหมือนกันเหมือนกันว่าเหมือนกันคู่สามีพัญญาคู่ที่สองคู่ที่สามนั่เนเองว่าคู่หนึ่งเนี่ยสามีดีพัญญาไม่ดีอีกคู่หนึ่งเนี่ยพัญญาดีสามีไม่ดี คู่แรกเนี่ยไม่ดีทั้งคู่คู่ที่สองนี่ก็ดีทั้งคู่ก็แสดงว่าเท่ากันพอดีก็มีคนดีอยู่เนี่ยเป็นผู้หญิงดีอยู่สามเป็นผู้ชายดีอยู่สามแล้วก็เป็นผู้หญิงไม่ดีอยู่หนึ่งเป็นผู้ชายไม่ดีอยู่หนึ่งไม่ใช่คือว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีอยู่สี่เป็นผู้ชายไม่ดีไม่ดีอยู่สี่เป็นผู้ชายไม่ดีอยู่สองสี่เป็นผู้ชายไม่ดีอยู่สอง ก็ถ้าเราจับคู่ให้ดีด้วยกันมันก็อยู่ได้ทีนี้ในสม บ, บัติปัญจจิตแล้วเนี่ยมันเป็นลูกตุ้มที่่วงมหาศาลเลยเพราะว่านักบวชเราเนี่ยไม่ต้องเอาไปไปมีเพศสัมพันธ์หรจิตเป็นเหนียวนึกจึกนึ ก, น ก, นกถึงเพศตรงกันข้ามเนี่ยก็แย่แล้วใจไม่สงบแล้วแล้วก็สังคมเราเวลาเนี้ยปัจจุบันเนี่ยคือคนไม่ไม่ค่อยนั่นเนะ่ย ไม่ค่อยสัมรวมระวงังคือการแต่งเนื้อแต่งตัวเข้าวัดเข้าว่าอะไรแต่อะไรเนี่ยเชวบเชื่ว่าก็ไปก็ได้เพราะนั้นพระจิตใจต้องหนักแน่นต้องมั่นคงไม่อ่อนไหวไปกับเรื่องแบบนี้แต่ถ้าอ่อนไหวแล้วมันโอกาสจะพลาดเนี่ยมันพลาดง่ายเพราะว่าธรรมชาติมนุษย์นะอย่าลืมว่าพระกับสัต์โลกระดับกลาลมาวมาจรปูเหมือนกันมันไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ โอกาสที่จะนวงเหนี่ยวเข้าให้ตกนรกทั้งเป็นเนี่ยมีได้ถ้าเราครองเรือนไม่ดีเนี่ยคือบางครั้งมครามเนี่ยมันมันต้องเครียดพิดบกโลกคูนหานมันกิดแม้แต่ชาวบ้านเนี่ยแต่ว่ายังไรก็ตามอย่างน้อยที่สุดนี่แต่ละข้อเนี่ยลองสังเกตว่าระดับหนึ่งเนี่ยคือชาวบ้านทั่วไปในฮีโนเป็นของตำ่ตำตามเช่นว่าสัมสอนทางเพศเนี่ยมันตำ่ำ เป็นพฤติกรรมที่ต่ำทรามไม่รู้ลูกเขาเมีใครเนี่ยมันต่ำมากเลยกระทายังไงยกระดับจิตขึ้นมาหน่อยอย่าไปถึงนขนาดนั้นมันมากปไปไหนระเบียดนี้ก็สุมสส่มเสี่ยงต่อโรคเอชสุ่มเสี่ยงต่อเรื่องต่างๆด้วยแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังมากกันนะั้นปุชุดเจนิโกเป็นชาวบ้านแต่ว่าคนจะเป็นคนดีมีศีลธรรมมากพอปุชุดชโนคือกิเลสมีแหละแต่ว่าหยาบม่นหยาบเกินไป อย่าให้ไม่ไม่ดูอะไรเป็นอะไรแบบบางครั้งบางคราวที่เราดูข่าวเนี่ยมันก็สยดสยองนะเออเป็นคนได้ยังไงอ่ะทำไมไปคิดอย่างนั้นไปทำอย่างนั้นแล้วก็อนัตโยคือไม่เป็นอริยแต่ทีนี้ถ้าเราปรับระดับนะฮะระดับขึ้นมาอย่างที่พูดไวในะตอนพรหมจันทะร์เนี่ยพรหมจันทร์มันก็เรื่องเพศนั่นแหละ เชนสถารละสันโดดเนี่ยคือไม่นอกใจพัญญาพูดง่ายๆอย่างนั้นปฏิวัติเนี่ยคือไม่นอกใจสามีหมายความว่าไม่รู้อำนาจแกกามาราคะที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ถึงก็หมดหรอกเพียงแต่ว่าครองเรือนครองสุขด้วยกันเป็นคู่สามีพัญยากันคือไม่ได้พูดถึงระดับเมธุนภิรัตนนะฮะคือพูดระดับนี้ระดับระดับกามสุเ ม, มชาจา์อย่าให้เป็นกามสุมชฌ า, าน มันก็ถือว่าเป็นการประเสริฐแล้วระดับหนึ่งคือเราไม่เป็นไปเป็นระดับสูงหรอกแต่ว่าเป็นระดับที่ลงมาทีนี้มันก็ได้ประโยชน์จากการครองเรือนหรือครองเรือน ค, ครองสุขบ้านกอบอุ่นตัวเองก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีสถานะภายในสังคมก็แสดงว่าคุณสมบัติเหล่านี้เราสามารถที่จะใช้เป็นหลักการในการครองชีวิตระดับหนึ่งแต่ไม่ตามเขานะฮะคือไม่ตามเขาเพียงแต่ว่าไอ้ตรงนี้เป็นโทษเราก็ลดลงไป ตรงนี้เป็นคุณเราก็เสริมขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ที่ช่วยให้เกิดการคลองเรือนคลองศขได้ทั้งฝั่งทั้งหลายแต่ลวงปโพติญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นครั้นี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง อ, องามไปบุญในธรรมจุงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี